ท่านกล่าวถึงอาหารและอนาหารของนิวรณและโพชงอาหารคือเครื่องหล่อเลี้ยงกระตุ้นเสริมซึ่งทำให้นิวรหรือโพชงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบู์อนาหารได้แก่สิ่งที่ไม่หล่อเลี้ยงไม่กระตุ้นเสริมอาหารของนิวรได้แก่อโยนิโสมนสิการอนาหารได้แก่โยนิโสมนสิการ ส่วนอาหารของพ่อชงได้แก่โยนิโสมนสิการอนาหารได้แก่การขามนัสิการข้อก่ออาหารและอนาหารของนิวรณ์หมีดังนี้ 1. กามฉันทะมีอาหารคืออโยนิโสมนสิการในสุภณิมิต อนาหารคือโยนิสโสมนัสิการในอสุพานิมิตสุพานิมิตคือสิ่งที่คิดหมายเอาว่าสวยงามคือพบเห็นได้ยินสิ่งใดแล้วใจจับเขารูปลักษณะที่ชอบกำหนดหมายหรือคิดวาดเป็นภาพที่สวยงามเอาไว้ในใจอาหารและอนาหารของนิวรข้อต่อไปข้อที่สองพยาบาทมีอาหารคือ อโยนิสโสมนสิการในปฏิคานิมิตอาหารคือโยนิสโสมนสิการในเจโตวิมุตต์ปฏิคานิมิตรคือสิ่งที่คิดหมายเอาว่าเป็นการกระทบกระทั่งขัดใจคือพบเห็นได้ยินสิ่งใดแล้วใจจับเข้ารูปลักษณะที่ไม่ชอบกําหนดหมายหรือคิดวาดเป็นภาพที่มุ่งกระทบกระทั่งตนเจโตวิมุตต์คือสิ่งที่ปลดปล่อยจิต ทำให้จิตโปร่งโล่งพ้นจากภาวะบีบคั้นตามปกติในกรณีของพยาบาทได้แก่เมตตาแต่จะใช้อปามัญญาอื่นๆก็ได้อาหารและอนาหารของนิวรข้อที่สถีนามิถะมีอาหารคืออโยนิโสมนัสิการในความเบื่อซึมเศร้าเมาอาหารใจหดหูอาหารคือโยนิโสมนัสิการ ในความริเริ่มก้าวหน้าบากบัน้นอาหารและอาหารของนิวรณ์ข้อที่สอุททะจักกุกุจจะมีอาหารคืออโยนิโสมะนสิการในภาวะหรือเรื่องที่ใจไม่สงบอาหารคือโยนิโสมะนสิการในภาวะเรื่องราวที่ใจสงบอาหารและอนาหารของนิวรณ์ข้อที่5วิจิกิจฉา มีอาหารคืออโยนิสโสมนัสิการในธรรมคือเรื่องราวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจชาอาณาหารคือโยนิสโสมนัสิการในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นตน้นก็ขออาหารและอนณาหารของโพ่อชงเจตมีดังนี้หนึ่ง สติมีอาหารคือโยนิสโสมนสิการในธรรมคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสติ 2. ธรรมวิจัยมีอาหารคือโยนิสโสมนสิการในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้น 3. วิริยะมีอาหารคือโยนิสโสมนสิการในความริเริ่มความก้าวหน้าบากบัน่น 4. ปีติมีอาหารคือโยนิสโสมานสิการในธรรมคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปีติ 5. ปัสสัตติมีอาหารคือโยนิสโสมานสิการในกายปัจสัตติและจิตตปัจสัตติ 6. สมาธิมีอาหารคือโยนิสโสมานสิการในสมาธินิมิตในสิ่งที่ไม่ทําให้ใจพร่าสับสน 7. อุเบกขามีอาหารคือโยนิโสมนสิการในธรรมคือเรื่องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาอนณาอาหารของพโพชงก็คือการขาดมนาสิการในสิ่งที่จะทำให้เกิดพโธชงข้อ น, นั้นๆธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติก็คือธรรมที่เป็นอารมณ์ของสติอัตถกถาแห่งหนึ่งว่าได้แก่โพธิ ป, ปักิยธรรม37ประการและโลกุตรธรรม9 แต่ถ้ามอง ก, างกว้างก็คือการปฏิบัติตามหลักสติปฐานสี่นั่นเองคำพีวิสุทธิมัรและสัมโมหวิโนธนีแสดงธรรมที่ช่วยให้เกิดสติอีกสี่อย่างคือสติสัมปทาญญะการหลีกเว้นคนสติเลอะเลือนคบหาคนที่มีสติกำกับตัวดีและทำใจให้น้อมไปในสติสัมโพชงธรรมที่ช่วยให้เกิดธรรมวิจัยท่านแสดงไว้อีกเจอย่าง คือความเป็นนักไต่าถามสอบคน้นการทําสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสการปรับอินทรีย์ให้เสมอกันการหลีกเว้นคนปัญญาสามการเสวนาคนมีปัญญาการพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้ปรีชาลึกซึ้งและความน้อมจิตไปในการวิจัยธรรมในข้อที่ว่าทําสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสนั้นมีอธิบายเพิ่มเติมว่า หมายถึงการทำสิ่งต่างๆให้หมดจดสละสลวยเช่นผมขนเล็บตัดให้เรียบร้อยร่างกายอาบน้ำให้สะอาดผ้านุ่งห่มซักให้สะอาดไม่เหม็นสาบเปื้อนที่อยู่ไม่รกรุงรังเป็นต้นทำที่ช่วยให้เกิดวิริยะท่านแสดงไว้11บอ็ดอย่างคือการพิจารณาเห็นภัยต่างๆเช่นภัยอบายโดยคอยปลุกใจตัวเองว่า ถ้าไม่พยายามจะประสบอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้การมองเห็นอานิสงฆ์ว่าเพียงพยายามไปแล้วจะได้ประสบผลวิเศษที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอย่างนั้นอย่างนั้นการพิจารณาวิถีแห่งการปฏิบัติว่าเป็นทางดำเนินของบุคคลยิ่งใหญ่อย่างพระพุทธเจ้าและมหาสาวกเป็นต้นเมื่อเราจะดำเนินทางนั้นมัวเกียจคร้านอยู่ไปไม่สำเร็จแน่ บอกอีก8อย่างที่เหลือให้ครบ11ตามที่ท่านแนะนำไว้คือความเคารพในอาหารบิณฑบาตว่าเราจะทำให้เกิดผลมากแก่ทายกทั้งหลายการพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาว่าพระองค์สันเสริญความเพียรเราควรบูชาอุปการะของพระองค์ด้วยปฏิบัติบูบชาการพิจารณาภาวะที่ตนควรทาตัวให้สมกับการที่จะได้รับมรดก คือสัตยธรรมอันยิ่งใหญ่การบรรเทาทีนมิทะด้วยวิธีต่างๆเช่นเปลี่ยนอิริยาบถและทำอาโลกสัญญาเป็นต้นหลีกเว้นคนเกียดตคร้านคบหาคนขยันพิจารณาสั ม, มัปิปทานและทำใจให้น้อมไปในวิริยะทาที่ช่วยให้เกิดปีติท่านแสดงไว้อีก11อย่าง คือระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณระลึกถึงศีลคือความประพฤติดีงามของตนระลึกถึงการบริจาค ก, การให้การศสียสละที่ตนได้ทําระลึกถึงเทวดาและเทวธรรมที่มีในตนระลึกถึงภาวะสงบคือ น, นิพพานหลีกเว้นคนมัวสัวมองเศร้าเสวนาคนแจ่มใสพิจารณาพระสูตรที่ชวนเลื่อมใส และทำใจให้น้อมไปในปีติทำที่ช่วยให้เกิดปัสสุิท่านแสดงไว้อีกเจ็ดอย่างคือเสพโชนะอันประณีตเสพ บ, บรรยากาศที่สุขสบายเสพอิริยาบทที่สุขสบายประกอบความเพียรพอปานกลางหลีกเว้นคนที่มีลักษณะเครียดกระสับกระส่ายเสวนาคนที่มีลักษณะผ่อนคลายสงบและ ทำใจให้น้อมไปในปัจสถาำที่ช่วยให้เกิดสมาธิท่านแสดงไว้อีก11ออย่างคือทำสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสฉลาดในนิมิตปรับอินทรีย์ให้เสมอกันข่มจิตในเวลาที่ควรขม่มยกจิตในเวลาที่ควรยกเมื่อใจไม่สุขสดชื่นก็ทำให้ร่าเริงด้วยศรัทธาและสังเวช เมื่อจิตดำเนินไปถูกต้องดีแล้วก็วางทีเฉยดูอย่างเป็นอุเบกขาหลีกเว้นคนใจไม่เป็นสมาธิเสวนาคนมีใจเป็นสมาธิพิจารณาฌานวิโมกและทำใจให้น้อมไปในสมาธิคำว่าสังเวชไม่พึงเข้าใจว่าสลดหดหูแต่หมายถึงอาการกลับได้คิดหรือเกิดแรงดลใจที่จะเร่งทำสิ่งดีงาม ตรงกับคำว่าสมุตเตชนะซึ่งแปลว่าเราให้กล้าตรงข้ามกับห่อยก่อยทำที่ช่วยให้เกิดอุเบกขาท่านแสดงไว้อีกห้าอย่างคือวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งพระทั้งชาวบ้านวางใจเป็นกลางในสังขารทั้งอวัยวะในตัวและข้าวของหลีกเว้นบุคคลที่ห่วงหวงสัตว์และสังขาร คบหาคนที่มีใจเป็นกลางในสัตว์และสังขารและทำใจให้น้องไปในอุเบกขา